ข้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงอนุญาตข่าพระองค์ไซข้าพระองค์จะเพิ่งไปสู่อัมพวันเพื่อบำเพ็ญเพียร น, นะพระพุทธเจ้ากอห้ามอารอก่อนเมคยะเราจะอยู่แต่ผู้เดียวจนกว่าภิกษุรูปอื่นจะมารออีกพักหนึ่งนะบอกพระองค์ก็ไม่ต้องบำเพ็ญอะไรแล้วแต่ข้าพระองค์ยังไม่บรุบลุก็คือขออนุญาตอย่างนี้สามครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสครั้งที่สาว่าดูก่อนเมคียะ เราจะพึงกล่าวอะไรกับเธอผู้กล่าวอยู่ว่าบําเพ็ญเพียร น, นะเออเราจะไปว่าอะไรถ้าจะไปบําเพ็ญสมมาณะธรรมก็ดูก่อนเมขิยะเธอจงสําคัญเวลาอันสมควรณนะบัดนี้เถิดนะคือพระ อ, องค์นี่รู้แล้วว่าไปเนี่ยไม่เกิดผลอะไรแต่ถ้าจะไม่ห้ามเลยนะเดี๋ยวว่าเออพระพุทธเจ้ารู้อยู่ทําไมไม่ห้ามแต่บางอย่างนี่อยากคิดว่าเล่าให้ฟังทุกเรื่องหมดแล้วจะดีนะนะพระ อ, องค์นี่เป็นผู้ที่รู้การรู้เวลาว่า ควรจะใช้คำอย่างไรจึงจะเหมาะสมครั้งนั้นแลท่านพระเมขยะลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักศีลแล้วเข้าไปยังอัมพวันครั้นแล้วเที่ยวไปทั่วอัมพวันแล้วก็นั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งครั้งนั้นเมื่อท่านพระเมขยะพักอยู่ในอัมพวันนั้นอะกุสลวิตกอัลลามกคืออะกุศลวิตกอันเป็นบาป สามประการคือกามวิตกพยาปาทาวิตกวิหิงสาวิตกย่อมฟุ้งซ่านโดยมากนะหมายไปนั่งอยู่ในปาน่านึกว่าจะพิจารณาขันทาดอายตนะสายใจธรรมะหมวดนั้นหมวดนี้อย่างสบายไม่ใช่เรกไปถึงกามวิตกเนี่ยเกิดขึ้นพยาปาทวิหิงสาวิตกก็เกิดขึ้น เ, เกิดครบเลยอ่ะที่บาปบาปทั้งหลายอะไรเนี่ยเกิดขึ้นในจิตนะ ครั้งนั้นท่านพระเมขยะก็เลยคิดว่าโอ้หน้าอัศจรรย์หนอไม่เคยมีมาแล้วหนอเราออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาแต่กลับถูกอักุสลวิตกอ ล, ลามกสามประการนี้คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกครอบงําแล้วขนาดบวช ด, ด้วยศรัทธานะมันยังแอบคิดไม่ดีอีกว่างอนันครั้งนั้นเวลาเย็นท่านพระเมขยะออกจากที่เรนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ แล้วนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสเมื่อข้าพระองค์พักอยู่ในอัมพภาวะกุศลวิตกอลาโมกสามประการคือกามะวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตตกย่อมฟุ้งซ่านโดยมากข้าพระองค์นั้นคิดว่าน่าอัศจรรย์หนอไม่เคยมีมาแล้วหนอ ก็เราออกบวชเป็นบนรรปะชิตด้วยศรัทธาแต่กลับถูกอากุสลวิตกอัลลามกสามประการนี้คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหหงสาวิตกครอบงำแล้วฟังข้อความในอัตถกาถาก่อนนะค่อยฟังว่าพระผู้มีพระภาคจะตรัสตอบว่ายังไงนะก็เล่าว่าไอตาตรงนั้นเนี่ยที่ท่านพระเมคิยะไปเห็นแล้วประทับใจมากก็บอกว่าที่ตรงนั้นนี่เป็นที่ที่ ท่านเคยเป็นพระราชามาห้าร้อยชาติตามลำดับนะเคยเป็นสวนที่ไปเที่ยวสวนนั้นมาแล้วห้าร้อยชาติเหมือนกันแล้วก็ทรงตรีธาในพระราชอุทยานนั่งแวดล้อมด้วยนักฟ้อนต่างๆครั้นตั้งแต่เวลาที่ท่านนั่งแล้วเป็นเหมือนกับภาวะแห่งส ม, มณะเนี่ยหายไปนะเหมือนกับไม่ได้บวชนะพอนั่งปั๊บเนี่ยเอ๊ะไม่ได้นึกว่าบวชเลยนะส ม, มณะสัญญาไม่เกิดเลย เป็นเหมือนกลายเพศเป็นพระราชานะนึกเหมือนกับตัวเองเป็นพระราชานะนะั่นแหละห้อมล้อมไปด้วยบริวาร น, นักฟ้อนนั่งบนบัลลังก์อันควรข้ามากภายใต้เสเวตฉัตรนะครั้นเมื่อถ้ำยินดีในสมบัตินั้นกา ม, มาวิตกก็เกิดขึ้นนะเลิมโลภะเกิดนะนึกถึงความสุขแต่เก่าแต่เก่านะอุปนิสัยมันให้แล้วเรียกว่ามันได้สถานที่ได้อะไรหลายๆอย่างปั๊กเคยไหม เ, เวลาเราไปอยู่สักที่แห่งหนึ่งนะเราจะนึกถึงเรื่อง ที่เราเคยไปเกี่ยวข้องนะเหมือนกับเห็นหน้าอีกคนหนึ่งจะคิดอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนั้นแหละอันอุปนิสัยที่สะสมมาก็จะเป็นลักษณะนั้นขณะนั้นเองท่านก็ได้เห็นเหมือนโจรสองคนถูกจับพร้อมด้วยของกลางเข้านํามายืนอยู่ตรงหน้าในโจรสองคนนั้นพยาบาทวิตกเกิดขึ้นด้วยอํานาจการสั่งให้ฆ่าโจรคนหนึ่งลักษณะพยาบาทวิตกมนาะคิดเนี่ยเอาไปฆ่าทิ้งซะ เนี่ยพยาบาทวิตกจะเป็นอย่างนี้วิหิงสาวิตกก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจการสั่งให้จองจำโจรอีกคนหนึ่งนะลักษณะของพยาบาทวิตกกับกามาวิตกแบบสั่งจองจำเนี่ยเป็นวิหิงสาเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็เป็นผู้แวดล้อมเปลืน่นกล่อด้วยอากุศลวิตกเหมือนต้นไม้ถูกล้อมด้วยเชิงเขาวันและเหมือนรวงพึ่งแวดล้อมไปด้วยตัวพึ่งฉะนั้น อยอักบุญนี่มันหนาแ น, น่นแล้วเกินอักบุญไม่รู้มันหาอยู่ไหนหมดนั่นแหละทีนี้ท่านก็เลยน่าอัศจรรย์ใจหมันแปลกใจหน่าดูเลย น, น่าอัศจรรย์อัศจรรย์ตรงนี้แปลว่าตําหนีมา ก, ก น, นะคือท่านติทําไมมันเปลนอย่างนี้ไปได้ <c oughs> ทีนี้พระเถระนั้นเปลี่นกลอนไปด้วยมิจฉาวิตกอย่างนี้ก็ไม่อาจทํากรรมฐานให้เป็นสปายะ <c oughs> จึงตาหนดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นการไกล ได้เห็นเหตุอันน่าอัศจรรย์นี้หนอจึงทรงห้ามคิดว่าเราจะกราบทูลเหตุ น, นี้แด่พระทศพลจึงลุกจากอาสนะที่นั่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครัแล้วก็กราบทูลเรื่องของตนอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้ทีนี้ท่านก็อธิบายคําว่าอกุศลาอากุศ ล, ลาก็คือแต่อากุศลนั้นคำว่าอากุศลนี้ชื่อว่าเปตาปะนะปาปะแปลว่าบาปแปลเป็นไทยไทย สํานวนตรงไหนถ้าเราไปอ่านเจอว่าลามกุกนะตรงนั้นนี่มาจากบาลีว่าป่าปะหรือบาปนั่นเองส่วนใหญ่แปลว่าบาปดูก่อนมารผู้ดูก่อนมารผู้มีบาปก็บางทีก็แปลเลยว่าดูก่อนมารผู้ลามกนะสัตว์ให้ถึงทุคตินะนําให้ไปสู่อาบายทุคติวินิบาดนรกเชื่อว่าอากุศลคําว่าอากุศลนี้เพราะเป็นข่าศึกต่อกุศล อาคุสนี้ถ้าแปลว่าไม่ใช่กุศลแต่อย่างนี้ไม่แน่ว่าจะถูกใช่ไหมเพราะสิ่งที่ไม่ใช่กุศนมีวิบากกิริยาแลนะวิบากจิตกิริยาจิตรูปบรรญัติทั่วไปนิพพานพวกนี้ก็เป็นไม่ใช่กุศลเหมือนกันถ้าแปลว่าอาคุศลไม่ใช่กุศลนั้นจึงไม่ถูกต้องบอกว่ามันเป็นปฏิปกักษ์ตอกุศล์เหนกตรูของกุศลนั่นแหละเรียกว่าอาคุศล์เหมือนกัน อันที่ชื่อว่าวิตกเพราะตรึกตรึกในที่นี้ก็คือคิดได้แก่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นึกนะนึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนึกบ่อยบ่อยันึกครั้งหนึ่งเรียกวิตกครั้งเดียวถ้านึกบ่อยบเรียกว่าวิตกหลายครั้งวิตกที่เกิดขึ้นพร้อมกับกามชื่อว่ากามวิตกอธิบายว่าวิตกที่สัมปยุต ด, ด้วยกิเลสกามมีวัตถุกามเป็นอารมณ์สภาพจิตในขณะนั้นเป็นโลภะนะ นึกถึงอารมณ์อันเป็นที่เกิดของโลภะอย่างใดอย่างหนึ่งนะนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผทพะพระเมื่อกี้นี้อา่านผมยังนึกเลยเออพระเมขียะท่านเป็นนึกเรื่องกามแล้วก็สิ่งที่ตรงข้างกับกามนะเป็นเรื่องของพยาบาทเรื่องวิหิงสาเนี่ยเออท่านทำไมถึงนึกอย่างนั้นนะหรือ<ม>ท่านนึกถึงตอนท่านเป็นคารวาสหรือเปล่านะฮะใช่ปะ อย่างนึกไปงไงไถึงเี้ทําไมท่านลงมีเยอะอย่างนั้นเนี่ยต้อง<ช>ตึก อ, อกคุสลพิตรครบหมดเลยนะและอย่างนึงมองเห็นว่านั่นเป็นการรัสมบัติเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะต้องอธิษฐานนะเกิดชาติใดจันตร์ใดขอได้พบพระรพุยภาคองค์ต่อไปนะเ<ช>พราะ<ช>ว่ากา ร, <ช>รสมบัตินะไม่งั้พระรพุยภาคเนี่ยนะพวกพทรงรู้เลยนะสถานที่นั้นไม่เหมาะใช่ไหมครับเจ<ช><ช>นดอนในเมตตาสูรนี่นนะฮะพระองค์เร่งเห็นพยานแล้วว่าพระภิกษุที่ไปเจริญเมตตาในป่านะ พี่อื่นเนะี่ยไม่สับ ป, ปายาสักแห่งเลย เ, เว้นตรงนั้นเท่านั้นนะจึงให้กลับไปใหม่แต่ว่าวิธีแก้ไขคือไปเจริญเมตตาถูกไหมครับใช่ไหรัเพราะฉะนั้นนะแม้แต่สถานที่เนี่ยนะฮะถ้าว่าเราเราไม่รู้ใช่ไหมเราเองเนี่ยเราไม่ใช่เป็นเป็นสัพพัญญูใช่ไหมฮะไม่มีทางรู้อาจารย์ปัจจุบันนี้ก็เองท่านก็ไม่มีลําบปัญญาอย่างนั้นใช่ไหมฮะเพราะอาจารย์ถึงสมัยปัจจุบันนะสังเกตดูจากพระหลายรูปเนะี่ย ท่านเนี่ยจะไปพระหนึ่งองค์ที่ท่านบวชนานๆ น, น, นะที่ที่ท่านเคยอยู่นี่ไม่ต่ํากว่าสิบแห่งนะเพราะนท่านจะไปแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยท่านจะเกิดการเปรียบเทียบกันอยู <lesser> <sharply> ่ตรงนั้นกับตรงนี้ตรงนี้กุศลเจริญกว่าอยู่ตรงนี้กับตรงนั้นอีกตรงนั้นกุศลเจริญกว่า น, ะ น, ะนั่นแหละเพราะฉะถ้าเราเกิดการเปรีย <gece> บเทียบเราจะรู้ว่าแต่ละแห่งแต่ละแห่งนี้ไม่ไม่เหมือนกันคือเรารู้ได้ยังไงเคยธรรมะบางหมวดเราน่าจะเข้าใจมากแต่เราไม่เข้าใจปัญหาก็เบิ่งเหมือนง่ายเลย แต่คิดไม่ออกอยู่แล้วก็อยู่อยู่ไปอย่างนั้นแหละอ่านธรรมะก็เห็นตัวหนังสือก็อ่านไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่ได้ข้อสะดุดใจไม่มีธรรมะสังเวชหรือว่าศรัทธาไม่มากขึ้นกว่าเต่าเท่าไหร่นี่เรารู้ว่าตรงนั้นเนี่ยสุสสดแล้วบางสูตรนะก็บอกรู้กลางวันให้ไปกลางวันรู้กลางคืนให้ไปกลางคืนนะตรงไหนกุศลไม่เจริญอนะ่ะแล้วถ้าหากว่าไม่ได้พระพุยพังนี่นะฮะก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าแบ็คกราวของท่านพรมเมกคียะเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยครจะรู้ครับ ก็อย่างเราเนี่ยพวกเราทั้งหลายนี่นะฮะทายาสายของเราแบ็คกราว <นะ S 2> ของเราใน แ, แต่ละคนนี่โหแตกต่างกันฟา้ากับดินเลยนะครับตรงนี้เราก็ค่อยๆศึกษาทายาสายของเราไปเนะีเพราะว่าเราจะไปอ้อนวอนโอ้ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่เราอย่าไปปฏิบัติมันเลยเรายังไม่รู้อัธยาศายของเราว่าเปน็นอะไรอ่กุศลได้ช่องเลยเพราะฉะนั้นพยายามศึกษาเพอเจริญกุศลมากๆอ่าพระองค์นี้นะ พระองค์จะแนะนําสําหรับผู้ที่เขามีอุปนิสัยอยู่แล้วเขาเคยเจริญกุศลมาแต่ชาติปางก่อนอยู่แล้วพระองค์จึงแนะนําถูกแต่ของเราเนะี่ยชาตินี้เราก็ไม่สะสมชาติหน้าก็ไม่สะสมไปเจอพระพุทธเจ้านะพระองค์ก็ไม่รู้จะบอกอะไรเราเหมือนกันไม่มีอะไรสะสมมาสักอย่างเลยนะก็บอกพระองค์จะโปรดสัตว์ที่เ้าเรียกว่าอ่าเหมือนกับคน ม, ม, ม, มีตุ่มอยู่ตุ่มหนึ่งแล้วในตุ่มนี่มีแสงสว่างในแสงสว่างนั้นก็มีอะไรมาปิดไหม พระองค์ก็จะไปเปิดใช่ไหมเปิดปั๊บแสงสว่างก็ปรากฏออกมาอ่าผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุมรรคผลก็เหมือนกันพระองค์เนี่ยอย่างถึงเลยผูนี้นะอรหัตมรรคเนี่ยอยู่ในใจของเขาเพียงแต่ยังไม่มีคนเปิดเท่านั้นเองทางนอกอาจจะส ก, กะปรกพระองค์ก็ไปถึงพระองค์ก็เปิดเติบแต่เราก็เป็นสัพว์อยู่นะในสมัยนั้นก็เป็นแต่ทําไมพระองค์ไม่มาเปิดเราเลยก็ไม่รู้นนะมันกระเด้งว่าเราไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยอะไม่มีอะไรในต่อไผ่สักอันเลย มันก็ต้องเจริญไวมากมากนะไปเจอผู้ถ้าผู้มีประภาสองค์ต่อไปโอ้ท่านคนนี้นะสะสมสติปัฏฐานมานานอางนั้นสแสดงสติปัฏฐานสูตรกลุ่มนี้สะสมอริยสัจมานานสแสดงอริยสัจเลยกลุ่มนี้มีความเพียรมากสแสดงสัมมาปัฏฐานเลยกลุ่มนี้เนี่ยชอบเรื่องฤทธิ์แสดงอิทธิบาทอย่างนี้กลุ่มนี้เนี่ยชอบเรื่องปัสรุสรสแสดงโพชฌงอย่นี้คอยยังชื่วคือมีของเก่าวไว้เยอะแล้วอ่ะ ไม่ใช่ไปเจอพระพุทธเจ้าเอกพระองค์ก็บอกตรวจ ด, ดัวพยาสายรอบคอบหมดแล้วบอกโปรดไม่ขึ้นนี่ใช่หน้ารงสารนี่ตุดเลยนะนะวิตกที่เกิดพร้อมกับพยาบาทชื่อว่าพยาบาทวิตกวิตกที่เกิดพร้อมกับด้วยวิหิงสาชื่อว่าวิหิงสาวิตกในวิตกเหล่านั้นธรรมะที่เป็นข้าศึกตอนเน้คัมมะอันเป็นไปด้วยอำ น, นาจการยินดีในการชื่อว่ากามวิตก ก็คือตรึกแล้วก็ยึดติดในอารมณ์ทั้งห้านั่นแหละธรรมะที่เป็นค่าศึกต่อเมตตาอันเป็นไปด้วยอำนาจความประทุษร้ายต่อสัตว์ด้วยคิดว่าขอให้สัตว์เหล่านี้จงเดือดร้อนจงชิบหายหรืออย่าได้มีชื่อว่าพยาบาทวิตกแรงพยาบา ท, ทงนั้นลธรรมะที่เป็นค่าศึกตกรุณาอันเป็นไปด้วยอำนาจความเป็นผู้ประสงค์จะเบียดเบียนเหล่าสัตว์ ด้วยปหาระวัตุมีฝ่ามือเป็นต้นด้วยก้อนดินหรือท่อนไม้เป็นต้นเชื่อว่าวิหิงสาวิตกจะไปดาให้เข็ดน้าหัวสักทีดีไหมยอย่างเงี้ยลักษณะนั่นแหละเป็นวิหิงสาวิตกอก็พระเฮรยัยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุญาตให้เธอไปในที่นั้นแต่ว่าเพราะพระองค์นั้นทรงอนุญาตด้วยทรงพระดำรีว่าพระเมขยิยะนี้แม้เราไม่อนุญาตก็ยังละเราไปเสียได้ อนุญาตหรือไม่อนุญาตต่อไปแปลว่าต้องไปเคยไหมตรงนี้ก็เหมือนกันนะท่านพระองค์ก็ห้ามสักก่อนยังไงท่าเมคิยะก็ต้องไปทั้งเธอก็จะมีความคิดเป็นอย่างอื่นไปว่าชัรอยพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ทรงอนุญาตให้เราไปเพราะประสงค์จะให้เราเป็นผู้กรนิบัติข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์ตลอดกาลนานแก่เธออันนะนักน็คือไม่อนุญาตหนึ่งครั้งสองครั้งเพื่อที่จะห้าม ให้ได้คลิปก่อนพอครั้งที่สก็ก็อนุญาตไปเธอ <S <s เมื่อเธอนั่งกราบทูลเรื่องราวของตนอย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมะอันเป็นสัปพายะแก่เธอจึงตรัสรมเป็นต้นน ะ, นะคือมาเล่าว่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วอกุศลมันเกิดมากนะพระองค์ไม่ได้ย้อนนานเราบอกเธอแล้วเธอไม่ไม่ทาตามเราบอกไม่เชื่อเราพระองค์ไม่พูดถึงเรื่องนี้สักคาเดียว พระพุทมีพระภาคตรัสว่าดูก่อนเมเขิยะธรรมะห้าประการย่อมเป็นไปเพื่อความแต ก, กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้านะก็คือธรรมะที่อบรมเจโตวิมุตติเจโตวิมุตติก็คือใจที่หลุดพ้นจากกิเลสท่านอธิบายว่าจึงอยู่ในเบื้องต้นใจย่อมหลุดพ้นจากกิเลสด้วยตะทางคะวิมุตตินะวิมุตติมี ห้าอย่างนะหนึ่งตะทางค้าววิมุตสองวิขำพนะวิมุตนะแล้วก็ต่อไปภายหลังก็จะได้หลุดพ้นด้วยสมุทเฉทะวิมุติปฏิปัสสัตทิวิมุติและสุดท้ายนิสรณวิมุตนะก็คือนิพพานเพราะฉะนั้นธรรมะห้าประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อแก่กล้าแห่งเจโตวิมุติเจโตวิมุตก็นับตั้งแต่ตทางข้วิมุติวิขำพนะวิมุติจนถึงสมุทเฉทปฏิปัสสัตทิ ประทางค่าได้แก่วิปัสนาฤกข์ขมพนะได้แก่สมถะสมุทเฉทาได้แก่อริยมรตปฏิปสัสสติได้แก่อริยผลนั่นแหละเพราะฉะนั้นธรรมะห้าอย่างนี่นะเป็นตายเพื่อแก่กล้าแห่งมิมุตเหล่านี้ห้าประการเป็นฉไงโดยตันเมคียะภิ็กสุในธรรมะวิไนนี้เป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดี มีเพื่อนดีนี้เป็นธรรมะประการที่หนึ่งเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้านะมิตร ด, ดีสหายดีเนี่ยนะับเป็นข้อข้อที่หนึ่งที่จริงแล้วธรรมะที่ที่ชื่อว่าเจโตวิมุตติหรือธรรมะเป็นเครื่องบ่มวิมุตติจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่สิบห้าข้อสิบห้าข้อด้วยกันนะสิบห้าข้อก็คือ โดยทำสัพทินซีเป็นต้นให้หมดจดคืออินทรีย์มี5้าอย่างใช่หมหนึ่งสัพทินซีอินทรีย์คือสัพพาสองวิริยนรียอินรีย์คือวิริยะ3สตินซีอินรีย์คือสติ4สมาทินรียอินรีย์คือสมาธิและก็สุดท้ายปัญญนทรีย์อินรียคือผู้เป็นใหญ่ปกครองคือปัญญาสุดท้ายได้แก่ปัญญาอ่านะ ทีนี้ในอินทรีย์5อย่างนั่นแหละคูณ ด, ด้วย3อย่างก็กลายเป็น15ก็คือเมื่อบุคคลผู้เวน้นบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาหนึ่งนะถ้าจะเจริญสัตย์ทีนีนะหนึ่งเว้นคนไม่มีศรัทธาสองเสกคบเข้าไปนั่งใกล้บุคคลผู้มีศรัทธา พิจารณาพสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสสัพพินรีย์ย่อมหมดจดด้วยอาการสามเหล่านี้นะที่หนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงคนไม่มีศรัทธาสองคบคนมีศรัทธาสาพิจารณาพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสนะศึกษาพสูตรที่เกี่ยวกับคุณของพระัตนตรัยมากๆส่วนวิริยินรีย์ก็สามอย่างเหมือนกันก็คือนะสูตรง่ายๆเวน้นบุคคลเกียรคร้าน สองก็คบเสพเข้าไปนั่งใกล้บุคคลผู้ริเริ่มความเพียรและก็สุดท้ายก็พิจารณาส ม, มบัติฐานพวกพ ร, รที่เป็นไปเกี่ยวกับเรื่องความเพียรความพยายามความบากบันจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถนะิดจะประโยชน์อะไรด้วยความหลับนี้ทรงจำพ ร, รลักษณะนี้ไว้มากๆก็จะทาให้มีใจปลุกปลอบที่จะเจริญกุศลธรรมมากขึ้น พันเ ว, เวนิิน4ีก็ย่อมหมดจดด้วยอาการสามเหล่านี้ส่วนสตินีก็สามอย่างเหมือนกันนะสูตรคล้ายๆกันเว้นบุคคลผู้หลงลืมสติถ้าเราจะมีสตินะมันมีความสำคัญนะอันดับแรกเลยเว้นคนไม่มีสติสองเสพคบเข้าไปนั่งใกล้บุคคลผู้มีสติตั้งมั่นสามจารณาสติประฐานนะพิจารณาพวกสติประฐานสูตรให้มากๆ เป็นไม่ได้ทรงกรรมสติประธานสูตรและเอาสติประธานสูตรมาคิดมากๆอ่ะนั่นแหละก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่จะทําให้สตินซีหมกจดนะสมมุติถ้าหากว่าผู้ที่จะเจริญสติใช่ไหมนิมิตของสตินี่สำคัญที่สุดเราะนั้นคนเหล่านั้นต้องชัดเจนในนิมิตของสติใช่หนิมิตของสติได้แก่ อ, อะไรนะกายานุปัสนาสิบสี่แบบพระเวทนาเก้าอย่างจิตสิบหกอย่าง ธรรมะขันอ่านิวร น, นิวรณ์อะไรอีกอายตนะพ่อชงอริยสัจนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นนิมิตของสติปัฏฐานข้อธรรมานุปัสสนาอันถ้าหากว่าเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้เลยนิมิตของสติไม่เกิดไม่มีและจะให้สติไปตั้งมั่นที่ไหนอ น, นะเคยได้ยินนะเจริญสติปัฏฐานใช่ไหมคนทั่วไปนี้กล่าวถึงเรื่องของสติปัฏฐานบาย สติประธานมีองค์แห่งการปฏิบัติเท่าไหรแต่ตระมาเนี้ยจำได้หนึ่งนะอาตาปีมีความเพียรทำกิเลสให้เล่าร้อนสองสัมปะชาโนสัมปะชานะก็คือสัมปะชญนะัญญะนั่นแหละ ส, สติมามีสตินะนี่คือองค์แห่งการปฏิบัติแล้วองค์แห่งการละมีกี่อย่างองค์แห่งการละก็คือละอภิชาและ โทมานันะกำจัดอภิชาและโทมนัตในกายเวทนาจิตและธรรมะนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐานก็คือสติที่ตั้งมั่นอยู่ในในกายหรือรูปปัขันธ์นะตั้งมั่นอยู่ในกายหรือรูปปัขันธ์เพียงเพื่อที่จะตั้งมั่นสตินี้มีลักษณะอย่างไรระลึกได้แค่ระลึกได้พอไหม ะน ะ, ะสตินี่ยเขาบอกว่าหลาแห่งนะท่านอธิบายบอกว่าเหมือนกับขุนคลังผู้รักษาทรัพย์ของพระราชานะขุนคลังนี่เขาจะรู้เลยนะว่าโอ้นี่ทรัพย์เพียงเท่านี้เป็นประโยชน์แต่พระราชาอันนี้ไม่เป็นประโยชน์แก่แก่แก่ทรัพย์ของพระราชาก็คือเจ้าหน้าที่เรือนคลังอ่ะจะรู้เลยว่าอะไรเป็นประโยชน์อันนั้นเนี่ยนี่เป็นประโยชน์นี้เป็นเครื่องประดับนี้เป็นรองเท้านี้เป็นหมวกนี้เป็นเสื้อผ้า เสื้ชนิดนี้ห่มเวลานี้เวลานี้ฉันได้สติก็เหมือนกันจะรู้ว่าโอ้นี่นะประโยชน์นี่คือสติประธานสีนี่คือสมบัติประธานสี่นี่คือประโยชน์นี่คือสิ่งที่ไม่ประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เกลื่อนกูลสมมุติถ้าสติละลึกถึงละลึกไปในกายปั๊บมันจะเกิดประโยชน์อะไรคนนั้นต้องตอบได้นะถ้าเป็นผู้ที่เจริญสติต้องตอบได้ถ้าระลึกไปอย่างนั้นได้ประโยชน์อะไรถ้าไม่ละลึกแล้วเสียประโยชน์ยังไง นี่คือกิจของสติต่อไปสัมปชานุสัมปชานะเป็นชื่อของปัญญาปัญญารู้อะไรปัญญานั้นมีการไม่หลงสภาวะธรรมเป็นลักษณะปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยปัญญาอีกชื่อหนึ่งก็คือปริญญาหรือปริญญาหรือสัมปชันสัมปชัญญะก็คือประเภทอสัมโมหะสัมปชัญญะสติปัฏฐานคืออันะปัญญาที่สัมปชานะในสติปัฏฐานคืออสัมโมหะสัมปชัญญะ นั่นะท้นฐานของสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมองค์แห่งการปฏิบัติมีสมอย่างอาตาปีสัมปชานโนและสติมากําจัดอภิชาและโทมนั์ในอารมณ์นั้นๆ น, น, นะโลกโลกก็คือกายเวทนาจิตหรือธรรมะหรือในอุปาทานขันห้านะต้องต้องชัดเจนหน่อยนะถ้าจะเจริญสติอันสติประฐานนั้นพิจารณาอย่างนี้มากๆกก็เป็นเหตุให้เกิด สเตินซีสเตินซีจะแก่กล้าด้วยอาการอย่างนี้